بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ر ب العالمين وصلاة ا ل وسلام ا ل على أ ش ر ف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله رب ا و بن إسلام دينا و ب محمد رسوله ر ับบิษฐ์รห ر ิศัตริวยศร ب อัมล ل วผ ن อุดตั ا ن ي ي ิส ه นยัฟกห์ ل ขาโวุลีอัลลอฮุมะ ا ินนาเนสอ طيب ا وعمل ันม ق ตะ ا บลาย ا ل ์รับบ์อั ل ลอฮ์มะฟ ا ل ห์เขาฟ م ดีนูอั ا ل ิม ا ์ทา و ินอัส م ลามุอะลัยกุม ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจาาลอสุบฮาหนะ์นาหัวตาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอาร่านทุกๆ ท, ท่านอัลฮัมดุดลิลละดีใจที่กลับมานะครับทำการเรียนกันสอนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราพักกันไปสองสัปดาห์หรือประมาณครึ่งเดือนนะฟังดูเหมือนสองสัปดาห์เหมือนจะไม่เยอะจริงๆก็ครึ่งเดือนนะครับ15วันโดยประมาณ นะก็เหมือนกับปิดเทอมเล็กๆแล้วก็กลับมาเรียนกุรอ่านกันต่อซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะขึ้นซูรออัลอารอฟอัลอารอฟเป็นซูรอลำดับลำดับที่เจ็ด เป็นสุรรลำดับที่เจ็ดในพระในพระมหาคัมภีร์อันกุรานต่อจากสุระอันอามอยู่ในยุสที่8สุรรอันอารอฟมีจุดเด่นที่ชัดเจนและก็เป็นสุรรที่บอกกับพวกเราทั้งหลายอย่าเป็นคนคิดในแง่ลบ โดยเฉพาะกับเรื่องอัลลอ์ต้องคิดในแง่บวกสุรอารอเป็นสุรมักกี้ะทั้งหมดของสุรถูก ป, ประทานลงมาก่อนที่นบีจะทำการอุพยพเป็นเนื้อหาที่ยาวที่สุดเพราะมีจำนวนอายะถึง206อายะ สุรอ้อนอามที่เราอ่านจบไปมีทั้งหมดหนึ่งอหห้าอายะสุรนนี้มีเท่าไหร่สองอหกอายะบางคนบอกอาจารย์แล้วบะกรอหระบะกรอมาดานียถูกประทานลงมาหลังจากนาบีอุพยพไปแล้วอันนี้ก่อนนบีอุพย พ, ย, พ ย, ายาวที่สุดแล้วสองอหกอายะและเป็นสุระอนแรกเลยที่นำเสนอเรื่องราวของบรรดานาบี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนบีอาดัมอาไลฮิสซาลามสุรบะกรรเนี่ยเราเคยเรียนมาแล้วแล้วก็สุระอนนี้ก็กล่าวถึงนบีอาดัมแต่อย่าลืมว่าสุระอนนี้อยู่ที่สุระอนที่สองก็จริงแต่จริงๆถ้าพูดถึงไทม์ไลน์หรือเวลาเนี่ยสุร้อนนี้ประทานสุรบะกรรเนี่ยประทานลงมาหลังกับสุร้อนอารอบอารอบนาก่อนสุร้อนอารอบนาก่อนแต่เวลาเรียงลําดับเนี่ยเอาบะกรรขึ้นก่อน แสดงว่าเรื่องราวของนบีอาดัมที่ที่ถูกกล่าวครั้งแรกในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดก็คือซุรออารอฟนะไม่ใช่ซุรอบะกรรอแต่เราเรียนบะกรรอมาก่อนเพราะบะกรรออยู่ต้นไงแต่ถูกประทานลงมาหลังจากนบีอพยบไปเล้วและก็พูดถึงนบีนัวนบีฮูดนบีซอลและนบีลูตนบีโชอิฟนบีมูซาและสุดท้ายก็ปิดด้วยกับนบีมุฮัมมัดของเรานะ แล้วก็พูดถึงวันกียรา์มาส่วนชื่อซูร้อนอารอฟแปลว่าอะไรอ่าเป็นชื่ออารอฟเนี่ย น, นาบีเคยถูกถามว่าอัารอฟคืออะไรนบีบอกว่ามันคือกำแพงสูงที่ตั้งตารางานระหว่างสวรรค์กับนรกเป็นกำแพงที่เป็นอานณาเขตเลยกั้นระหว่างสวรรค์กับนรกนะ และเป็นที่กั้นของชาวสวรรค์และชาวนรกด้วยอ่าจะไม่มีการข้ามกันไปข้ามกันมาคนที่อยู่สวรรค์ก็อยู่สวรรค์คนอยู่นรกก็อยู่นรกส่วนที่ออกจากนรกอันนี้อีกกรณีหนึ่งกรณีที่ออกจากนรกนี่กรณีที่หมดบาปแล้วเพราะว่าไม่ได้ตกตลอดมีกริมอชฮะดะแต่มีบาปอย่างอื่น อารอลพิพากษาให้ลงนรกมีระยะเวลาแต่ตอนออกมาี่ถูกเผาถูกเผาไหม้จนกระทั่งเหลือแต่ตอตะโกแล้วและสุดท้ายก็ไปฟื้นขึ้นมาใหม่ในสวรรค์นะคราวนี้กำแพงเนี่ยชื่อว่าอารอฟจารีธบินหูไซ ฟ, ฟ้าได้เล่าถึงชาวอารอฟด้วยว่ากลุ่มชนเนี่ยจะอยู่บนกำแพง เพราะอะไรรู้ไหมเพราะความดีกับความชั่วเขาเท่ากันเลยอัลลอฮฺวากบัด <c oughs> ความดีความชั่วเท่ากันไม่รู้จะไปทางไหนไอ้ความชั่วที่เขามีก็ยับยัง้งความชั่วที่เขามีอยู่ก็เป็นสิ่งยับยั้งไม่ให้เขาเข้าสวรรค์เข้าสวรรค์ไม่ได้เพราะมีความชั่วจะเข้านรกก็ไม่ได้ความดีก็มีเพราะมันเท่ากันหมดเลยก็ทุนถูกกักเอาไว้อยู่บนกำแพงนั่นแหละ แต่สุดท้ายแลย้วอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวาตาละก็จะทรงตัดสินแต่ตัดสินเป็นพวกสุดท้ายเลยเพราะไม่รู้จะไปทางไหนแต่ถ้าคนชั่วก็ลงนรกไปเลยไอ้คนดีขึ้นสวรรค์ไปเลยแต่คนเนี้ยเป็นคนที่ความดีความชั่วอยู่เท่ากันก็เลยอยู่บนกำแพงแต่สุดท้ายแล้วด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ก็ให้ไปสวรรค์นั่นแหละแต่เราก็อย่าไปเสียงแบบนั้นเลยนะเอาความดีให้เยอะ อ่าชาวอารอฟนะครับดีไหมเนี่ยไ ม, ไม่ดีนะแต่ก็มาถึงขั้นชั่วเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตกนรกไปเลยทีเดียวอยู่กลางๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนซูรออัลอ า, อารอฟกันนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาดิฮาก่อนนะอาวุบิลาฮิมินัลชัยตอนิรรจี ب ิ سم الله الرحمن الرحيم a l h a m d u l i l l a ل i r o b b i l alamin al-Rahman al-Rahim มัลกียาุมิดดินียาคณา ع إ ن ع إ ي ا ีย ع ب د و สต ا ย ن س อ ع ي ด إ น د ن ا ا ร ص ต ا ลมุสต ت ق ี م สิร ط ต الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين อาอุบุบิลล ا ฮิมินอชชัยตานุรรจิมบิสมิลลาฮิร r ل h m a n i r rahim อ م ล อ่อันนี้นะมันจะมีทั้งหมดหกสามหกหกอันนี้ไม่ใช่เบอร์โทรใครนะเป็นรหัสในการห่วงเสียงอัลิฟไม่นวงเลยอ่านตรงๆเลยอัลิฟ แล้วก็ลามลามเนี่ยต้องลามเนี่ยลากยาวก่อนลาม อ, อย่าเพิ่งเขยิปากนะอะปาป่าไปก่อนลามเนี่ยหกพอมีมลามแล้วปิดปากลา ม, มเนี่ยอีกสามไอ้ตรงเนี้ยมีสามแล้วก็มีมหกมีมแล้วก็ซอสอีกหกไอ้ตรงปิดปากระหว่าง มามีลามกมีมนะ่ะมันเป็นถ้าเขียนแยกมันเป็นวาจิบุญนะอยู่ในนั้นแล ะ, ะมีสัต้าอยู่บางคนจะพลาดตรงนี้แหละบางคนก็อ่านอาริฟลามมีมแล้วก็ลา ม, ม, ม, ลลามไ ม, ไม่ไม่ปิดปากลามแล้วก็มีมเลยไม่มีไอ้ตรงไอ้ตรงระหว่างอะ่ะไม่มี กีเขาเก่งกีจำได้มันมีต้องระวางเลยนะเอาใหม่นะอาลิฟแลมเนี่ยอีกสามมีหกแล้วก็ซอสอีกหกแล้วก็ตอนท้ายตอนซอสเนี่ยมีก้อนกอร์อลาที่เป็นดานอีกเพราะซอสเนี่ยคือซอสอาลิฟดานซอเดซอ ด, ซอดเห็นไหมอ่าเนี่ยเขาเรียกรายละเอียด น, นั้นเอาใหม่นะใจเย็นไม่มีปัญหาอีกรอบหนึ่งอาลีฟเลมมีมโซ อ่าบางคนก็เดอะสัตเดอะเดยาวยนิดเดียวนิดเดียวก้อนกนละลานิดเดียวเดะไม่ต้องเสียงเสียงเสียงเต็มนะฮะเสียงครึ่งหนึ่งไอ้อรอบหนึ่งนะกีตาบุญเดี๋ยวอ่าไม่ใช่อ่าอันอายะที่สองกีตาบุญอวยิลงใดเลก็ฟ้ลายกุ้ฟีสดริกาฮารจุมมิน ลิ้นต ذ นรับอ ه ِ و َ ذكرال المؤمنين اتبعون ดูนะครับอลิฟรามมีมซอสนะเขาก็จะเขียนคําแปลตามตัวอักษรเลยก็คืออลิฟรามมีมซอสซึ่งเคยได้อธิบายไปแล้วในซูลรอเบกรอ์นะครับคาเดโฮรูฟมกตตาความหมายก็คือณที่เอาลอสซุบฮานะหวูวตาและเพียงพระองค์เดียวนะกีตาบุญนี่คือมีคำภีรมีคำพีกีตาบุญมีคำพีำพ <c oughs> ำพหนึ่ง อุซลอลกซึ่งถูกประทานลงมาแก่เจ้าก็คือแก่ให้ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลัลลอฮวยฮิวะสัลลัมฟะยะุมฟีซอดริกะฮารอจุมมินหูดังนั้นจงอย่าให้ความอึดอัด <c oughs> ความอึดอัดเนื่องจากคำพีนั้นที่มีอยู่ในหัวอกของเจ้าทำไมอะ ประการที่หนึ่งเลยอธิบายก็คือความอื่นตรงนี้หมายถึงมีการสงสัยหรือเคลือบแคลงในคัมภีร์นี้ต้องเชื่ออย่างหมดหัวใจเลยว่าคุรานนั้นเป็นกาลามุลลอเป็นดารัของลอสุบฮานะหัวตาและไม่ได้มาจากการประพันธ์ของใครคนใดคนหนึ่งพ่อนามัยอ่ะพ่อนาีของเราเป็นบุคคลที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกประการหนึ่งที่นักตัฟซีดอธิบายก็คือว่า ลีตุนซีรอบีฮีวะดิกรอลินมุมีนีนทั้งนี้เพื่อให้เจ้าได้ใช้ใช้กุรานี่แหละเป็นคำตักเตือนผู้คนทั้งหลายและเป็นข้อเตือนใจแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนคนที่ยังหลงผิดอยู่ส่วนคนที่ได้รับฮีดายาทางนำแล้วก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเรา ถามว่าเขารู้เรื่องศาสนาไหมคนที่เขาคนที่คนที่รับรับอิสลามแล้วเนี่ยรู้แต่บางทีก็ต้องมาเตือนใจกันมรุรจอทบทวนให้เกิดอีมานที่เพิ่มพูนนะตรงนี้เนี่ยมกออักทับซีดบางท่านบอกว่าคำว่าลำบากใจตรงนี้หมายถึงลำบากใจที่จะบอกกุตรานให้กับคนนู้นคนนี้ฟัง เราเจอคนที่กําลังทําผิดอยู่เราก็ไม่กล้าที่จะใช้กุรอ่านเตือนเขาเนี่ยคือคนที่ลําบากใจต้องลําบากใจไหมว่าถ้าเราจะเตือนคนที่ทําผิดด้วยกับกุฎีอ่านไม่ต้องลาบากใจเพราะกุฎอ่านนี่คือดําหัดของเราเถียงได้ไหมละ่ะเถียงไม่ได้แต่เถียงกุรีอ่านนี่จบเลยนะแต่ถ้าเราใช้ความรู้สึกของเราเตือนไปโดยที่ไม่ได้อ้างอิงกับกุรอ่านอันเนี้เขาอาจจะเถียงเราได้อาจจะสวนเราได้แต่ถ้าเราใช้กุฎอ่านเตือนละ่ะจ๋าว่าออกมาทางนี้ อ๋อมองไม่เห็นเดีย๋ยวปินให้จ้ะอ๋อโอเคครับปินละ <c oughs> กลัวกล้องมันหนีฟังกล้องอ้าวสรุปก็คือว่าเวลาที่เราจะเตือนใครเดี๋ยแล้วไม่อยากให้คนเขาเขาเถียงเราได้เนี่ยต้องใช้อะไรเตือนใช้กุรอ่านเตือนโอ้ถ้าเถียงกุฎอ่านนี่ไม่ใช่ธรรมดานะ <c oughs> นั้นนั้นไม่ต้องลำบากใจถ้าเราพูดในสิ่งที่เป็นความจริง เป็นสิ่งที่มาจากอัลลอ์มาจากท่านรอซูนไม่ต้องกลัวนะอันนี้คือความหมายหนึ่งที่บอกว่าสิ่งที่อัลลอ์ประทานมาแล้วสึกอึดอัดใจเคยตอนตัวเองอตัวเองน่ะเชื่อแหละแต่ถ้าไปบอกคนอื่นแล้วจะเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าว่าเออทำไมมาพูดอย่างนี้ล่ะนะอิตตาบิอูมาแปลว่าอะไรพวกเจ้าจงปฏิบัติตามก็คือบรรดาซอฮาาบ้านนบีแล้วก็บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอ์ นะปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่แก่พวกเจ้าปฏิบัติตามเรื่องอะไรกุรานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถนะิดนะวาลลตเตอบิอและยาได้ปฏิบัติตามมินดูนีฮีอื่นจากพระองค์อัลลอเอัลเลียะก็คือบรรดาผู้ปกครองวลีตรงนี้เองก็หมายถึง ใครบ้างล่ะเราจะมีผู้ปกครองเป็นใครบ้างพ่อแม่ผู้นํานะใครอีกเจ้านายถ้าใช้ในสิ่งที่ขัดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาอันนี้ไม่วาจิบไม่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามเพราะถือว่ากําลังขัดอยู่กับผู้สร้างก็คืออัลลอฮฺซุบฮฺานะฮฺวะตาลาเนี่ยนั้นพ่อแม่ใช้ให้เราทําบาปต่อเราเราจําเป็นต้องปฏิบัติไหมไม่จําเป็นเนี่ยตามอายะนี้เลย นะหรือบังคับให้ออกจากศาสนาก็ไม่ได้ต้องยืนยันแล้วก็มั่นคงในหลักความเชื่อของเรากอลีลามาตะรุนส่วนน้อยที่โบเจ้าเท่านั้นแหละที่จะเลือลึกได้คือตรงนี้ก็ต้องยอมรับก่อนหนึ่งว่าตอนที่อัลลอฮ์ประทานกุรานลงมาเนี่ยคนที่ไม่เชื่อเนี่ยมันเยอะคนเชื่อมีอยู่แค่นิดเดียวและหลังจากนั้นไปเนี่ย คนที่มีศรัทธาก็เริ่มขยายตัวแล้วก็เพิ่มขึ้นนะมันไม่ใช่ว่าพอนบีอักุูดานมาบอกปั๊บทั้งมัคการับอิสลามหมดเลยมันไม่ใช่ก็ส่วนน้อยที่จะเชื่อและคนที่ส่วนน้อยที่เชื่อนี่คือคนอะไรคือคนที่อ่อนแอด้วยซ้ําคนที่อ่อนแอด้วยซ้ําเพราะคนที่อ่อนแอเนี่ยประการหนึ่งที่ทํำไมเขาเชื่อต่อรอดง่ายเพราะว่าเขาไม่มีอะไรต้องแบกไงไม่มีตํำน ong ตำเหน่งต้องแบกเขาเป็นคนอ่อนคนอ่อนแอคนหนึ่งเขาพร้อมที่จะสละทุกอย่างได้แต่บางคนที่มันยัง ยังไม่สามารถจะรับอิสลามได้เนี่ยเพราะมันแบกนูน่นแบกนี่ไว้เยอะแบกศักดิ์ศรีตัวเองเอาไว้นะบางครั้งต้องใช้เวลาในการที่ إيمان เขาจะซึมซับไปในหัวใจแต่ถ้าเกิดสมมติ إيمان เข้มแข็งนี่คนที่มี ม, มีมีตําแหน่งมีอานาจเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะถือว่าเขาสามารถจะช่วยเหลืออิสลามได้เหมือนที่นบีเคยดูอาให้ซอบ ะ, อะให้ชายสองคนรับคนหนึ่งก็คือท่านอุมัด นะครับท่านองคมัตบินคอตตอ p ก็รับอิสลามอีกคนหนึ่งอับูุลาฮันเลอบูลละฮับไม่รู้สองคนเนี้ไม่เข้าแต่คนที่รับก็คือท่านอุคมัตน ะ, อ, ะอ่านต่อนะครับในอายะที่ 4.5.6 วะกวก็มีการยตินอัลเลกนาฮาฟะจับ สุนับายตาละก็ฟ้าเจ้าอาหับ สุนับายตันเอาหุ่มคอยล فما كان دعوهم إذ جاءهم بسنا إلا คนน่าซาลิม ف َ ل ن س أ ل ن ّ الذين أرسل إليهم ِ و َ ل َ ن َ س أ ل ن ا المرسلين َ ال ف َ ل َ ن ا قُصَّنَ ّ عليهم ََِْْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ มาดูความหมายกันนะครับว่าคำรำนี่แปลว่าเท่าไหร่กี่มากน้อยเลวและกี่หมู่บ้านแล้วมินกอริยะกอริยะนี่แปลว่าหมู่บ้านก็ได้แปลว่าตำบลก็ได้อ่าตำบลก็ได้กําปงก็ได้เอ่ยนี่กีบอกกําปงก็ได้กอริยะกีหมู่บ้านแล้วที่อัลฮะลัคนาฮะอัลลอฮ์ได้ทําลายมันนะ อยู่ในประวัติศาสตร์เลยก็พวกสมูทพวกอาร์ตอาร์ตนี่ก็อยู่ในอาหรับนี่แหละเป็นเป็นอาหรับศูนพันไปแล้วอาหรับโบราณ น, นะโดยเฉพาะพวกอาร์ตเนี่ยสูงมากนะถ้าอยู่สมัยนี้ก็น่าจะสองชั้นสามชั้นในเมืองบ้านประมาณเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งนะอะซึ่งพวกเาล็อตทำลายไปหมดลวด้วยความดื้อรั้นของพวกนี้กำลังสมูท ก, กำลังนิสมูท ตัวไม่ตัวไม่ได้ใหญ่เท่าอาร์ตแต่ว่าเจาะภูเขาทำบ้านนะแล้วก็มีอีกหลายกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ได้ทำลายจากความโอหังของพวกเขาอัลลอฮ์ถามว่าแลวกี่หมู่บ้านเลว้วที่เรานั้นได้ทำลายมันฟอจาอาฮาบซูนาโดยไอการลงโทษของเรานั้นเนี่ยมาในหมู่บ้านบายาตามาตอนไหนรู้ไหมมาในยามค่าคืน เอาหุม้มกออีลูนหรือในยามที่พวกเขาพักผ่อนในยามเวลาบ่ายมีสองเวลานะที่เอารถจะส่งบลาลงมาหนึ่งก็คือตอนเวลากลางคืนทำไมอ่ะทำไมบอกกลางคืนเพราะกลางคืนนี่กาลังเพลินเลยหลับสบายนอนกําลังมีฝันหวานอยู่เลยเป็นไงเอารถจัดการเรียบร้อยตายหมดส่วนอีเวลาหนึ่งที่อาหรับเขาจะนอนกันก็นกคือบ่าย พอละมาดบ่ายไปแล้วยิงกินข้าวหมกเลยนะอ่ามันจะง่วงมันรู้จะทําไงมันจะง่วงอย่าจะหลับนั่นแหละไอ้ช่วงที่หลับตอนบ่ายนั่นแหละเอาะ้อจัดการน่ะที่เน้นสองเวลานี้คือเวลาที่มนุษย์มันจะเผลอเลยอ่าจะไม่ค่อยสนใจและความง่วงมันเข้ามาครอบงำน่ะนั่นแหละเาลาร้อจัดการเลยแล้วก็เอาร้อนบอกต่อฟามาการนาวดาวะหุมอ่าไม่ปรากฏ ว่าพวกเขาเนี่ยวิงวอนขออื่นใดเลยตอนที่โดนบาลานี่นะไม่มีเลยที่เขาจะไปขออย่างอื่นเพราะเขารู้แล้วว่าอัลลอฮ์จัดการเขาแล้วอิสยาฮุมบะซูนาในขณะที่อัลลอฮ์กำลังลงโทษพวกเขาอยู่เนี่ยไม่ปรากฏว่าเขาขอสิ่งอื่นเลยนะอิลลาอันกอลูอินกุนแนลอลีมีนนอกจากพวกเขาจะอยู่ในสภาพที่กำลังกล่าวว่าแท้จริงเราได้ผิดไปแล้ว เราได้พังบาปไปแล้วเราได้ละเมิดไปแล้วฟลอนซ์อันนัลลดีนอุรุสลาอีไลฮิมแน่นอนเราจะถามบรรดาผู้ที่เป็นศาสนาทูตที่ศุกส่งไปยังพวกเขาเอาเราจะถามด้วยว่านาบีเนทําหน้าที่บอกเขาไหมไปสอนเขาไหมแน่นอนว่านาบีบอกว่าฉันทําหน้าที่เรียบร้อยแล้วแต่พวกนี้มันดื้อเอง มันดื้อด้วยกับกำมลสันดานนี้พูดได้นะกะมลก็หมายถึงเนื้อแท้ของเขาเลยนะกำมลสันดาก็หมายถึงเนื้อแท้นิสัยของเขาเลยมันดื้อมันไม่ไม่สนใจเอเล็กถามบรรดาศาสนาธุดก่อนนะว่าทําหน้าที่หรือยังเมื่อทําหน้าที่แล้วแต่พวกนี้ยังดื้ออยู่เอเล็กก็ทําการลงโทษวอลเลนส์แอนเนลมูรซาลีนและแน่นอนพวกเขาก็ และและเราก็จะถามบรรดาศาสนาทูตทั้งหลายด้วยเราจะถามบรรดาผู้ที่ศาสนาทูตส่งไปยังพวกเขาและเราก็จะถามบรรดาศาสนาทูตทั้งหลายด้วยนะครับแต่ขอดูตับซีตรงนี้นิดนึงน ะ, ะก็ไม่ไม่มีอะไรก็ถามเอาเราถามหมดนะนะว่าไม่มีนบีไปเหรอมีแต่ไม่เชื่อแล้วก็ถามนาบีด้วยว่าทําหน้าที่ไหมนบีก็บอกทาหน้าที่ต่อม า, อมาวะละนะกุซลนะอะไรหิมบีเอล แน่นอนเราจะนำความรู้มาเล่าให้เขาฟังนะว่ามากุลนากออีบินและเราก็ไม่เคยหายไปไหนเลยหมายถึงใครหมายถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้หายไปไหนแม้ว่าจะลงโทษพวกเขาในดุญยาแล้วเดี๋ยวไปเจอทีหนึ่งที่ไหนโลกหนาอีกไม่ใช่ว่าพอโดนโลกดุญยาแล้วสบายและฉันโลกหนาไม่โดนแล้ว โลกหน้าโดนอีกพ่ออัลลอฮ์ไม่ได้ไปไหนเลยอัลลอฮ์อยู่ตลอดและยังเอาความรู้เนี่ยมาบอกด้วยในโลกนี้เนี่ยบอกและในโลกหน้าก็บอกอีกว่าทําไมไม่เชื่ออ่าทำไมไม่ฟังบอกไม่เตือนไหมเป็นการบอกสำทับว่าไอ้ที่ทําไอเราทั้งไอเราทั้งหลายที่ทําผิดเนะี่ยไม่ใช่มาจากพระองค์อัลลอฮ์เลยมาจากตัวเรานัในแหละที่ดื้อรั้นไม่ฟังเองเพราะอัลลอฮ์ทั้งเตือนทั้งบอกแล้วแล้วก็ส่ง เราสูดมาด้วยและแถมยังมีบทเรียนก่อนหน้านี้ให้เห็นด้วยนะอ่ะต่อมาครับ8ปดกับเก้านะพี่น้องดูนิดนึงก่อนจะอ่านนะวัลวัส น, นูยาไมา่ดีนิลอ่านว่าดีนิลมีตัวนูนอีกตัวหนึ่งนะมาอีดีนิลัก ในหนังสือของอินเดียจะมีตัวนูนตัวเล็เลกๆอยู่ใช่ไหมมีแต่ถ้าใครอ่านของเซาดีไม่มีนะจะเขียนเป็นตันวีนสองอันแล้วก็อาริฟลา ม, มนูนไม่มีเพราะนูนมันอยู่ในตันวีนแหละก็คือดินดินก็คืออะไรザอีตินูนดินตันวีนก็อ่านดินเหมือนกันมันมีนูนอยู่ในนี้นะ ดังนั้นเมื่อมันมีสุกูลสองตัวต้องใส่สกัสร้อไปให้อ่านได้ก็คือกลายเป็นดีนินดีนินนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะวัลวัสนุยาเมาอีดีนิลฮั ก, กอ่ า, าอ่านกก อ, อ, อ, อ, อ, อย่างนี้นะอีดีนิลฮัก ถ้าไปอ่านอีวีอีอีดินผิดเลยอ่านอีินผิดเลยนูนหายไปตัวหนึ่งอ่านอีวินไม่ได้ต้องอีวีนิลมีนูอีตัวหนึ่งวัลวัสนยาอมาอีวินิลฮักกอ ف م ْ ث َ ق ل ت م َ و ز ن ُ ه فأولئكهم المفلحون ว่ามันข้อฟัดมาวัดจีนุ่หูเฝ้าเลออีกที่นั้นข้าศู ال الذين خ س ر و أن ا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون อ่มาดูนะคำว่า was w l well was การช่าง was แปลว่าช่างช่างตวงวากันไปนะซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเอามาใช้นะครับแต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยตวงแล้วไม่ค่อยเห็นกันตวงแล้วช่างทั้งนั้นแหละซื้อทุเรียนกับช่าง หรือจะช่างเปลือกด้วยก็แล้วแต่ช่างเปลือกด้วยก็ราคาถูกลงมาหน่อยแต่ช่างเนื้ออย่างเดียวแพง ม, มีเอาเม็ดออกไหมไม่มีเนะอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยจ้ะ <c oughs> ช่างอะไรเนี่ยอเครื่องใน ใช่ครับอ๋ออ๋อเดี๋ยวนี้เนี่ยการทําอาหารเนี่ยมันไม่ใช้ใช้การสารนะบางที่ที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเนื้อเขาช่างเลยว่ากี่กรัมบางที่นะไม่ไม่สมมุติเขาทํามาอาหารมาจานหนึ่งเนี่ยก่อนที่เขาจะมาปรุงเนี่ยเขาช่งเนื้อเลยว่าเนื้อเนี่ยกี่กัมอันเนี้ในร้านทั่วไปแม้กระทั่ง เมก่อนผมขายผมเป็นพนักงานตักไอติมขายอ่ะผมต้องตักไอติมเนี่ยมาชั่งเนะว่ามันกี่กรรมถึงจะวางลงไปในสกูปตักเกินไปก็โดนบน่นตักน้อยลูกค้าก็นบน่นนั่นแหละใช้กะเอาอ่าคราวนี้ด้วยความยุติธรรมจริงๆแล้วอ่ะถ้าทำเงี้ยมันลำบากกว่าจะมานั่งทาทีละจานชั่งกันไปชั่งกันมาลูกค้าหนีหมด ก็ซื้อว่าเหมาแล้วกันคำนวณเอาเหมาแล้วเป็นราคาเหมาอา้าวแต่ว่าในดุนยานเราก็ต้องช่างกันเนาะเราซื้อของซื้ออะไรก็ต้องช่างกันแต่ในวันอาคีร์รอดนี่ก็มีการช่างเหมือนกันตายไปแล้วเนี่ยเอาลอตจะเอาผลบุญเอาบาปมาช่างในวันนั้นเนี่ยตาช่างเนี่ยเป็นความจริงนะการช่างความดีความชั่วนี่เป็นความจริงเอาลอตบอกว่าฟามันซากูเลตมาวาซีนูฮูดังนั้นผู้ใดที่ตาชูของเขาหนัก หนักจากอะไรเนี่ยความดีความดีมันเยอะมันก็เลยหนักชนเหล่านั้นเลฟอูลลอิกะฮุมุลมุฟลรีฮูก็จะได้รับความสำเร็จรอดพ้นจากไฟนรกฟรมันคอฟฟัตมาวาซีโนฮูแต่ปรากฏว่าตราช่างที่เป็นความดีของเขาเนี่ยมันเบาเหลือเกินมันเบามันเทพจะไม่มีน้ำหนักเลยเหตุที่มันไม่มีน้าหนักเพราะอะไรจ้าเพราะไม่ค่อยได้ทา หรือทำแล้วไม่ให้คนอื่นนหรอวะไปกีบอกและก็ไม่ค่อยได้ทำด้วยทำน้อยแต่ไอ้ฝั่งนึงอะที่เป็นความชั่วเนี่ยทำเยอะไอ้นุนกันหนักเนาหน้าดูเลยไอ้ฝั่งนี้ก็เลยเบาพอเบาเสร็ฟาอูละอิกันแลีนาคอสีรูนั่นแหละอลัลลอ์บอกคือคนที่ขาดทุนแล้วคนนี้แหละคือคนที่ขาดทุนเพราะความดีมีน้อยอันฟูซาหุบบมาการูบีอายาตินายัสลิมูน เนื่องจากการที่บกเขานั้นได้อาธรรมแก่บรรดาอาญาก็คือองค์การต่างๆของเราก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกุรานตามปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีและเป็นความขาดทุนที่เกิดจากตัวเขาเองด้วยอันฟุซะหุ้มไม่ได้มาจากคนอื่นเลยตัวเขาทำตัวเขาเองครนี้มันมีหลักอากีดาข้อหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบหรือทราบแล้วนะในการ ช่างเนี่ยเอลลาลอตจะให้มาเป็นรูปธรรมเลยคือความดีความชั่วมันเป็นนามธรรมนะมันมันไม่สามารถจะเอามาช่างกันได้ในวันเนี้ยในในในดุนยาเนี่ยเอามาช่างกันไม่ได้หรอกแต่ในวันกิยามัตเนี่ยเอลลาลอตจะให้เป็นรูปธรรมให้เห็นได้จับต้องได้เป็นภูเ ข, ขาก็เป็นภูเ ข, ขาเลยเพราะมันมีกรณีหนึ่งในฮะ ด, ดิษของอัลบารอฟัยะตีเมาอัลมุมินปรากฏว่ามีชายอันนี้เกิดขึ้นในหลุมศพนะ เราเราตายไปแล้วเราจะเจอมีชายคนหนึ่งที่ผิวดีมากเลยวชาบุญยฮัสซานุลอัลวาเนตอยิบโอ้โหผิวดีมากและแถมยังมีกลิ่นวัดต่อยิบุรีะกลิ่นหอมมากเลยคืออันนี้จะเกิดขึ้นหลังจากคนมาส่งเราเราก็จะได้ยินคนนี้มาส่งเรานะพอในฮันดิบอกได้ยินเท้าที่เดินจากไปพอเขากลับไปหมดแล้วคนนี้เราเหงา วายเราคนนี้เรามันมืดมนไปหมดเลยเราเราก็รู้สึกเหงาใจแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้มีชายคนหนึ่งนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นคงเป็นผู้หญิงก็นะฉันก็ไม่รู้นะพราะนี่พูดถึงผู้ชายนะผู้ชายตายปนพูดง่ายๆมีเพื่อนแหละก็มีผู้ชายคนหนึ่งมามาในสภาพที่แต่งตัวดีเลยแล้วก็กินหอมมากไฟยากูรุมันอันต้าชายคนนั้นก็ถามว่าเจ้าเป็นใครเนี่ย เขาก็บอกฟอยกูแหละอ่ะนี่ยฉันคืออามาลุกกซอและฉันคือการงานที่ดีของท่านมาอยู่เป็นเพื่อนเลยเป็นคนให้เห็นเลยเป็นเพื่อนให้เห็นเลยนั้นละหมาดก็จะมาหาเราการงานต่างๆก็จะมาหาเรานี่แหละเป็นเป็นอะไรนะเป็นข้อบิสูจน์อย่างหนึ่งว่าในวันกียามติ์หลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยอมันจะมาให้เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยเป็นเพื่อนเราเลยแล้วก็เอาไปชั่งได้นะเอาไปชั่งได้มองเห็นได้นะซึ่งจะเป็นยังไงว่าหล่อหวานแหลมตามที่หะดิษบอกเอาไว้ อีกอันนึง่งการที่จะเอาความดีไปชั่งเนี่ยบางทีอาจจะเล็กแต่หนักตัวอย่างอันนึงที่ชายคนหนึ่งที่มีมีเขาเรียกว่าบัญชีความชั่วเนี่ยเก้าสิบเก้าบัญชีแต่ละบัญชียอสุดลูหูลูกตาเลยขนมาพอขนมาเสร็จก็มาไว้บนความชั่วหนักแอดเลย พราะวาความมันเยอะเก้าสิบเกบัญชีความชั่วเสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งมาลิก้าก็นําความดีมาเป็นเป็นเหมือนกับกระดาษแผ่นหนึ่งในรายงานบอกบิตรกอบิตอกอรตอกอร้อนี่คือบัตรนะบัตรเล็กๆและก็เขียนในบัตรว่าละอีละอิละลอคือผลบุญที่เขาเก่าละอีละหิละลอแค่ใบเดียวเมื่อเอามาวางปั๊บมันงัดไอ้เก้าสิบเก้าเนี่ยลอยเลยกลายไปดังนี้ยหนักกว่า นะนั้นอันเดียวที่ที่ดูดูเหมือนจะเบาแต่หน้าที่อัลลอ์เนี่ยคำว่าละอีลาฮิลลอเนี่ ย, il ah il oh ยมันหนักนะแม้ว่าจะเอาชั้นฟ้าเอาแผ่นดินมาชั่งเนี่ยยังสู้คำว่าละอีลาฮิลลอ์ไม่ได้เลยนั้นคำนี้เป็นคำที่ประเสริฐที่สุดนะครับและก็ดีที่สุดในการมกถึงอลัลลอฮ์คือคำว่าละอีลาฮิลลอใครที่ตายด้วยคำพูดนี้เข้าวสวรรค์เลยกาวบ่อย ไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่กล่าวให้บ่อย ๆ, ใ ห, อยๆให้ติ๊กปากเอาไว้ล้อีเลงล้อแต่อย่าไปใช้ในเรื่องหมู่ใจอย่างเดียวนะบางคนนี่พอลูกหลานเข้าบ้านเลยอีเลงล้อมันจะกลายเป็นหมู่ใจอย่างเดียวอันนี้เป็นดิกลุ่นล้อนะไม่ใช่แบบเหนื่อยหน่ายอะไรเงี้ยนะอะอีกอันหนึ่งที่เป็นลากีด้ะก็คืออัลลอฮ์จะให้ร่างกายเราไปชั่งอยู่ในนั้นด้วยอัลลอฮ์จะเอาตัวเราเนี่ยไปชั่งในนั้นด้วยในอามันของเราแล้วก็ตัวเราไปชั่งด้วยคราวนี้บางคนก็บอกว่าอาจารย์ยี่สบายเลยอย่างอาจารย์เนี่ย โอ้โหหนักหน้าดูเลยร้อยกว่าดีสบายแล้วใช่ไหมแล้วบางคนนี่อย่างผอมเลยร้อยกีเนี่ยเสร็จแน่เอาไปชั่งปึ๊บในไม่มกิโลหรอกอันนี้อัลลอฮฺให้ตามความดีนะไม่เกี่ยวกันจะอ้วนขนาดไหนแต่แต่ทําความชั่วมาเยอะเนี่ยในคัมีรบอกว่าไงยุตาเยามัณกียามะมิรอยยูลุนซาเมนุนปรากฏว่ามีชายคนนึงอ้วนมากเลยอ้วนน้าหนักเยอะมากเลยตอนตายของอ้วนเยอะนะ เฟลาเอซีนูเอนเดลล์แต่ปรากฏว่าทำชั่วไว้เยอะเวลาที่เอา ล, ล่อไปชั่งน้ำหนักเท่ากับปีกของของยุงสแสดงไว้ที่อ้วนมันมีประโยชน์เลยเลยเอาไปส่วนอีกคนหนึ่งชื่อซอบานะชื่ออับดุลลอบินมาอูดอับดุ ล, ลมาซูดเนี่ยท่านมีร่างกายที่ผิดปกติอย่างหนึ่งคือขาท่านเป็นขาที่เรียวจริงขาเรียวเนี่ยมันลักษณะของ ผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยถ้าขาเป็นโตสนุกเนี่ยดูไม่ค่อยดีละใหญ่เนี่ยผู้หญิงต้องขาเรียวผู้ชายขาต้องมีกําลังปรากฏว่าอับดุลละบินมสซูดเนี่ยเคยปีนต้นไม้ไปและถูกลอ้อว่าขาเนี่ยเหมือนผู้หญิงเลยขาเรวเล็กนิดเดียวเองนบีก็เลยกล่าวว่าอัตอะเจบูนีมินดิกกัสไกพวกท่านแปลกใจไหมในความเร็วของขาของอดุลละเนี่ยแต่ขอสาบานต่อรอดเนี่ย ว่าขาทั้งสองวันที่เอาไปชั่งในวันในใ น, ในวันกิยามัตเนี่ยอลัลลอฮฺจะเอาขาสองอันนี้ที่เล็กในวันในวันเนี้ยไปชั่งเนี่ยมันหนักกว่าภูเขาอูหุดซะอีกขาที่เรียวของซอบาท่า น, นี้ยหนักกว่าภูเขาอูฮุดซะอีกแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับน้ําหนักตัวแต่เกี่ยวกับอะไรจ๊ะเกี่ยวความดีอหมตัวผอมเดี๋ยวทำความดีเยอะัมดุริแลเดี๋ยวอลัลลอฮฺเพิ่มน้ําหนักให้ คนอ้วนแต่ทำความดีเยอะอันนี้ก็ดับเบิลเข้าไปเลยอ่าเพราะอ้วนอยู่แล้วไงแล้วก็ทำความดีด้วยนะอันนี้จากเรื่องของการช่างนะครับอ่าต่อนะจบยังอ่อออแล้วจบและอ่านต่อมาครับอายะที่ส0วแลวก็เด็มาก كناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. ولا قد مكن لكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. قل إ ل ن َّ م َ ا ت َ ش ْ ك ُ ر ُ و ن َ วะเล็กก็ْด็กَวะเล็กก็หน้าคุ้มทุ่มมาเสววรหน้าคุ้มดีครับอัลฮัมดุลิลลาห์َُุมมา ل ุ ن َน ل าลิ م ม ل َลอِกติส จุดุลีอาดมะฟาซาจุดุอิลลาอิบ س َ ฟาสั่ง إ ด ب ْ ل ِ ي س َ ل َ م บ يَقُمْ م ย ن َ ا ل س َّ ا ج ِ د ِ ي ดี มาดูความหมายนะว่าเราก็ได้มักกันนาะกุ้มฟิลอาร์และแท้จริงเราได้ให้พระเจ้ามี ท, ท, ท, ที่ที่พำนักอันนี้หมายถึงในยุคท่านนาบีเราเนี่แห ล, อละอัลลอฮ์กำลังพูดกับนบีเราอะพกเราทั้งหลายเนี่ยมีที่พำนักเราพำนักกันที่ไหนจ้าฟิลอาร์ก็คือที่ดินแผ่นดินบางคนบอกอาจารย์บางคนอยู่คอนโดล่ะอ้าวแล้วคอนโดเนี่ยมันไม่ต่อกับดินเหรอ บางคนบ่าว่าอยู่ห้องลอยฟ้าไม่ลอยฟ้าหรอกเพราะว่ามันมีเสาลงไปที่ที่ดินอยู่ดีแหละอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปพาดอยู่กับดินใช่ไหมจะสร้างสูงขนาดไหนก็ต้องไปอยู่ไปยึดโยงกับกับดินเอาฟ้าเท่านั้นแหละม่มีเสากี่บอกไอ้ที่เหลือเนี่ยยังไงก็มต้องลงลงดินทั้งนั้นแหละนะผูกเปย์ก็ต้องมีดินไปผูกกับต้นไม้ต้นไม้ก็เกาะที่ดิน ว่าเก็ได้มักกันนาะกุ้มฟิลอาร์และแท้จริงเราได้ให้พระเจ้ า, าเนี่ยมีพี่พี่พำนักอยู่ในแผ่นดินว่จาจะอันนาละกุ้มฟีฮามาอาิชและเราก็ได้ให้มีขึ้นแก่เจ้าบรรดาเครื่องปัจจัยยังชีพในแผ่นดินในดินยังมีเครื่องปัจจัยยังชีพไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆนะครับรวมถึงอะไรอีกล่ะเยอะแยะไปหมดเลยอ่าในนี้บอกว่าอัลลอฮ์ให้ ให้มีบ้านมีที่พำนักให้มีแม่น้ําให้มีปลาอยู่ในดินอยู่ใ น, ในแผ่นดินหมดแหละภูเขาน้ําตกว่ากันไปแล้วก็ทําให้มีท้องฟ้าและท้องฟ้าก็เป็นสาเหตุของการปัจจัยที่พระองค์ให้มีเมฆฝนแล้วก็ตกลงมาก็กลายเป็นกลายเป็นทำปศุสัตว์ทําอาชีพเกษตรก ร, กรและสุดท้ายก็มีการค้าขายกันและก็เกิดทําให้มนุษย์เนี่ยมีความสะดวกสบายจากการที่เราได้ใช้ทรัพยากรที่อัลลอฮ์ประทานให้อัลฮัมดุลิละ เราบอกว่ากอรีลามมาตัชกูรูนแต่ส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ที่จะกระตันญูรู้คุณต่ออัลลอฮ์และต่อให้เราเป็นคนที่รู้คุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์ได้ไม่ครบหรกอกเพราะเราบอกว่าฟาอินตาอุดดูเนียมาตัลลอฮิลาตัวสูฮาและหากพวกเจ้าจะนับถึงความโปรดปานที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าแล้วแล้วก็พวกเจ้าไม่อาจจะคํานวณ น, นับมันได้เลยลมหายใจแต่ละลมหายใจ แต่ละาการมีชีวิตสุขภาพของเราริสกี้ต่างๆที่เราบริโภคเนี่ยเราขอบคุณอัลลอ์ได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่เราก็ทำให้เต็มที่ น, นะเพราะนับถ้าเงียบกับการที่อัลลอ์ให้กับการที่เราขอบคุณอัลลอ์เนี่ยสิ่งที่อัลลอ์ให้มันมันเยอะกว่าเราขอบคุณนิดเดียวเองนะอินนัลอินซานะละซูละซาลูมุลกฟาร์และมนุษย์นั้นอยู่ในผู้ที่เนรคุณผู้ที่อาธรรม โดยเฉพาะคนที่ไม่เอาศาสนาเลยนะคราวนี้ต่อมาอัลลอฮจะเล่าถึงที่มาที่ไปประถมมบทนะของการสร้างมนุษย์วะลก็ดคอลก่อันวะละก็ดะคอละก่อนออนากุมและแท้จริงเราได้บังเกิดเจ้านะซุมมาซาวรนากุมและก็ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะซุมมากุน้นาลินมาลาอิกะ และอัลลอฮ์ก็ได้มีดํารัสแก่มาลายกาได้กล่าวแก่มาลายกาว่าอิสยูดูจงจงอะไรจงคาราวะอ่าคือสูยูด ต, ตรงเนี้ยเป็นสุยูดลินเขาเรียกว่าไม่ใช่อิบาดาห์นะเป็นสุยูดให้เกียรติกันเป็นการคาราวะให้เกียรตินะเป็นสุยูดให้เกียรติถึงความมีเกียรติของอาดัมนะเพราะอัลลอยกเกียรติของมนุษย์อยู่แล้วต่อให้เป็นกาฟเฟินนะตายก็ไม่เป็นอิยิส นะกาฟสเนี่ยตายก็ไม่เป็นทุกมนุษย์เนี่ยตายไ่เป็นอายิสหมดเลยแล้วก็ให้เกียรติโดยการไม่ทำลายศพอันนี้ก็เป็นเป็นการให้เกียรติในสงครามก็จะไม่มีการไปทำไปทาลายนะก็ให้จัดการไปนะแล้วเดี๋ยวรอดลงโทษเองหลังจากนั้นต่อมาเ อ, อ่อลีอาดัมฟอซ่จะดูอิลลบลีสนะจงคารวะต่ออาดัมเถิดเล ข, เขาก็คารวะกัน นอกจากอิบลีสเท่านั้นมันไม่ปรากฏอยู่ในผู้ที่คาระวะนะตรงนี้เองเออในในหนังสือได้เขียนอธิบายต่อว่าอัลลอ์เนี่ยสร้างนาบีอาดัมด้วยกับพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยกับตัวของพระองค์เองด้วยกับพระองค์เองด้วยกับดินเหนียวแล้วก็ทำให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วสมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ได้ทรงเป่าวิญญาณเข้าไป ร่างกายก็ขยับขยื่นได้เลก็ขยับขยื่นได้แล้วก็ใช้มายการเนียโค้งคำนับแก่เขาเพื่อเป็นการต้อนรับและให้เกียรติแกแกพระผู้เป็นเจ้านะให้เกียรตินะครับแล้วก็พูดที่แล้วก็อะไรนะแล้วก็ให้แล้วก็พวกเขาก็ได้ยินคำสั่งแล้วพวกเขาก็เชื่อฟังนอกจากอิบลีส นะแล้วก็เป็นสิ่งที่ป่าปนอยู่ในนั้นด้วยก็มีจินอยู่ด้วยเพราะอิบราฮิมไม่ใช่มลายกาเป็นยินก็ไม่ยอมคารวะเรื่องนี้กล่าวมาแล้วในสุรบาการะกลร์อ่านี้นิดนึงว่าอาดัมเนี่ยธาตุในโครงสร้างก็คือดินลูกหลานเนี่ยไม่ได้เป็นธาตุดินแต่เกิดจากการที่มาจากบังเกิดมาจากอสุจิจเฉพาะนบีอาดัมคนเดียวที่มาจากธาตุดินที่เหลือเราก็มาจาก ท้องของมันดานะแล้วก็มีการปฏิสนธิกันแล้วก็ออกมาเป็นมนุษย์นะครับแต่เราเนี่ยแน่นอนว่าสุดท้ายเราก็ต้องไปอยู่ในดินกันนะก็คือถูกฝังนั่นเองนะอาญาที่สิบสองครับกอลามะนาแกลลาตัสจูดอิดอามาร์ทุก قال أنا َ خير منه خلقتني من نار وخلقته من ط ي ٍ ดูความหมายนะกอลาพระองค์อัลลอ์ได้ตัดว่ามามาณอกามามาณอัมามาณอละกากะ้าก็คือท่านมาณอาแปลว่าห้ามมีอะไรละ่ะที่มาขัดขวางมาห้ามเจ้าอัลลาตสยูดาในการที่จะคารวะนะต่ออาดัมเนี่ยขณะอิซอามารตุก ขณะที่ข้าได้ใช้เจ้า <c oughs> มีอะไรมามาขวางเจ้าหรอไม่มีหรอกแต่มันมีตะ ก, กะก็คือบอกว่ากอละสิ่งที่ไม่ทําให้ฉันรู้สึกจะคาราวะต่ออาดัมได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะฉันเนี่ยดีกว่า <ยก S 1> ดีกว่ายกตัวเองยกตัวเองดีกว่าอาดัมเพราะคอละกอตานีมินนาร อัลลอฮ์เนี่ยสร้างฉันมาจากไฟวาคอและก็ตาฮูมินตีนแต่สร้างอาดัมมาจากดินดังนั้นไฟย่อมดีกว่าดิน <c oughs> จริงไหมไม่จริงจริงดินดีกว่าทําไมดินดีกว่าดินนี่มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละลองดูสิประโยชน์จากดินนั่นแหละไฟนี่มีแต่เผาใช่ไหม <c oughs> ไฟไฟไฟไม่บ้านเผาหมดนะดินน่ยมีประโยชน์นะคราวนี้ สำคัญไม่ใช่อะไรเลยคือสำคัญคืออัลลอฮ์สั่งอ่าอัลลอฮ์สั่งไงเมื่ออัลลอฮ์สั่งก็คือทําจะไปไปไปไปย ก, กว่าเอ้ยฉันดีกว่าไม่ใช่เพราะทั้งอาดัมแล้วก็อิบลีสเนี่ยก็มาจากการที่อัลลอฮ์ทรงสร้างทั้งนั้นแหละสำคัญคือผู้สร้างผู้สร้างสั่งอะไรเราก็ทําจะไปคิดเองไม่ได้ว่ า, ฉ, วาฉันดีกว่าไอ้นั่นฉันดีกว่าไอ้นี่นะและ ในนับสิบบอกว่าผู้ที่ทําการเปรียบเทียบแบบเนี้ยคนสิบคนแรกเลยตนแรกเลยก็คืออิบลิสใช้ตะ ก, กาแบบนี้สเปรียบเทียบนะดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นการสอนให้เรารู้ว่าการเปรียบเทียบและยกยอตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อบโลกของมาเท่านั้นแหละมันหายอธเหตุผลอธิบายแต่อันนึงว่าทําไมทําไมอิบลิสเนี่ยพอเวลามันฝ่าฝืนอลัลลอฮ์เนี่ยมันถึงไม่ได้รับการ อภัยโทษพี่น้องทราบไหมเพราะมันไม่เคยขอกับเนื้อกับตัวกับล้อเลยมันกับขอผ่อนผันเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปนะมันขอผ่อนผันว่าเอาล้ออย่าลงโทษฉันนะตอนนี้นะขอไปลงโทษในนู่นเลยวันกียรติ์ขออยู่ยืนดิ <laughs> แต่อาดัมเมื่อทําผิดอาดัมก็ทําผิดเพราะไปฝา่าฝืนไปกินต้นไม้ไปกินผลไม้ แต่เมื่ออาดัมทําผิดอาดัมกลับเนื้อกับตัวขออ้อนวอนก่อนรอดเลยนี่แหละคือสาเหตุที่ทําไมอิบลิสไม่ได้รับการไปเพราะมันไม่เคยขอภัยโทษมันรู้ว่ามันผิดแต่มันขอผ่อนปลนการลงโทษเราในฐานะเป็นมนุษย์เราจะบอกว่าโอ้เราฉันผิดทําผิดแต่ไม่เป็นไรขอทําผิดไปไดเรื่อยๆนะค่อยๆขอผ่อนปลนอันนี้จะเป็นตรงกับอิบลิสแต่เราตรงกันข้ามตรงข้ามอิบลิสมนุษย์คือเมื่อทําผิดแล้วขออภัยโทษแล้วรอดให้ อัลลอฮ์ให้ทั้งคู่นั่นแหละอัลลอฮ์ก็ให้อาดัมโดยการอภัยโทษและอัลลอฮ์ก็ให้อิบลิสเหมือนกันในการที่จะลงโทษมันในวันเกียร์มานุนเพราะมันไม่ได้ขออภัยโทษมันขอให้ประวิงเวลาในการลงโทษเนี่ยฉันอ่านในตับซีเนี่ยนี่ทำไมสาเหตุทําไมอิบลิสไม่ได้รับการอภัยโทษเพราะไม่เคยขอน่ะไม่เคยขออภัยโทษแต่ไม่รู้ว่ามันผิดแต่ท่าแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือมันหาเพื่อน ไอ้นี่แหละที่พามนุษย์เราซวยไปด้ว ย, ยคือมันหาเพื่อนไปกับมันด้วยมนุษย์นี่แหละหาเพื่อนไปด้วยนะคราวนี้ในอายะที่สิบามสิบสี่สิบห้าเนี่ยอลัลละฮ์ก็จะพูดถึงละวนะสรุปคือมันมันทําผิดตอ่ออัลลอฮ์แล้วมันก็ใช้ตะกะป่วยๆของมันว่ามันน่ะดีกว่าแต่จริงแล้วอย่างที่อลัลลอฮ์อย่างที่ในนี้บอกว่าว่าไฟ ไฟนั้นดีกว่าดินความจริงแล้วดินเป็นธาตุที่นิ่มนวลอดทนมั่นคงดินนั้นเป็นแหล่งของพืชความเจริญงอกงามและความเพิ่มพูนความดีส่วนไฟนั้นเมื่อเกิดเผาไหม้รวดเร็วรุนแรงมันมีแต่ทำลายนะไฟเนี่ยดังนั้นอาดัมจึงได้รับประโยชน์จากธาตุของเขาก็คือดินและดินเนี้ยตัวอย่างของธาตุดินก็คือกลับใจกับเนื้อกับใจสานึกผิดยืนหยัด ยอมจำนนซีโรราบต่อคำสั่งของเลาะเมื่อทำผิดจะยอมรับผิดและขออภัยโทษนี่คือลักษณะของธาตุดินก็คือมนุษย์อย่างพวกเราอ่านะอันนี้ก็คือที่เขียนเอาไว้ในดับซีดนะ่ะดินอ่อนก็ได้ใช่ไหมดินอ่อนก็ได้ดินแข็งก็มีมนุษย์ต้องมีรู้จักอ่อนรู้จักแข็งเวลาปกครองใช่ไหมจะแข็งอย่างเดียวเลยเอาไม่อยู่เหมือนกันอ่อนอย่างเดียวก็เอาไม่อยู่ดินมีทั้งหลายแบบดินด้วนดินเก็บกบน้ํา นี่แหละคือลักษณะของคนที่ต้องใช้ลักษณะของดินมาในการบริหารเอาต่อมาครับอายะที่สิบาสิสี่สิบห้ากลฟะบิลต์มินฮาฟะมายาูนุละกะอัตะตะกบารอฟิฮา فخرج إ ِ ن َّ كَمِينَ الصَّغِيرِ قالَ أَزِرْني إِلَى يَوْمِ ي ُ ب ْ ع َ ث ُ و ن َ อัลลอฮฺตรัดว่า อ, อิฟะฟะบิตก็คือหมายถึงจงลงไปจากสวนสวนนั้นเสียนะขับไล่โดนขับไล่ ออันนี้หมายถึงอิบลิสยังไม่ใช่เรื่องของอาดัามใจเย็นอันนี้ให้ใครลงไปก่อนอิบลิสก่อนใจเย็นนะดน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาหลอกอดาดัมมันเป็นขั้นนะพี่น้องใจเย็นนะคือเดี๋ยวเดี๋ยวอดาดัมลงใจเย็นแต่ว่าตอนเนี้ยที่อัลลอฮ์พูดเนะี่ยพูดกับอิบลิสเพราะอิบลิสตอนนี้มันมันทําอะไร <c oughs> มันขัดขัดคําสั่งอัลลอฮ์ในการ คาราวะต่ออาดำเอาลอกก็บอกว่าเจ้าออกไปจากสวนนี้ออกไปจากสวรรค์ในนี้ก็บอกว่าคําว่ามินฮาก็กลับไปที่สวรรค์หรือสถานที่เดิมที่มันอยู่นั่นแหละซึ่งเป็นอยู่ด้วยกันหมดเลยมาลีกะอา่นานบีอาดำอิบลีสด้วยนะอยู่ด้วยกันหมดแต่อิบลิสโดนให้ออกไปก่อนแล้วบอกว่าไงไม่สมควรแกเ่เจ้าที่ทําโอหังแต่กับ นี่ตะตะกับบารอฟีฮาไอกรณีที่บอกว่าตัวเองดีกว่านี่คือโอหังแล้วอวดตะกับบดนะโอหังยะโสเออหญิงยะโสโอหังใช่ฟาครุฑไปให้พ้นออกไปให้พ้นอินเนกมีนัสโซกีรีนแท้จริงเจ้านั้นอยู่ในมูคนที่ต้อยตา่าคำว่าต้อยต่าตรงนี้ต้อยต่าจากการที่ไม่เชื่อฟัง เอาล่ะไม่ได้เป็นสถานะในการสร้างไม่เกี่ยวคุณจะเกิดมาในตระกูลไหนก็นแล้วแต่ตระกูลคุณเคยทําคุณงามความดีเอาไว้เยอะนามสกุลดีเหลือเกินแต่คุณทําตัวชั่วๆเร็วๆคุณก็ต้อยต่านามนสกุลไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยหรือความดีของคนปู่ย่าตายายไม่ได้ช่วยได้เลยเหมือนกับอิบลิซที่มันลำพองตนมันต้อยตา่าไม่ใช่ว่าตัวสถานะในการถูกสร้างของมันแต่ที่มันต้อยต่ําเพราะมันฝ่าฝืนล้อล้อแน่ยตะกับบด ก็ลลและอันซีร์นีมันือขอขอกรรล่ะเนี่ยมันขอกอรลขอให้ผ่อนผันหน่อยอันซิรนีอีลายเย่มิยุบาซูจนกระทั่งถึงวันที่บกเขาฟื้นคืนชีพขอยาวเลยนะยันกระทั่งวันที่ฟื้นคืนชีพมนุนยันวันกิยามัตนะพูดยงัยงไงนะขออย่งวันกิยามัตเลยในการที่จะถูกลงโทษไม่ได้ขออภัยโทษต่อร้องขอให้ผ่อนผันในการลงโทษ อและอินนแกมีนั่นมูลจอรีนพระองค์ตัดว่าแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ที่ถูก ผ, ลผล่อผันขณนี้พอผู้พร้อมถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะตั้งคำถามว่าทำไมอัลลอฮต้องผ่อนผันมันด้วยล่ะในเมื่อมันทำผิดกับอัลลอฮตรงนี้นะอัลลอฮได้ทรงตอบรับคำขอของมันทั้งนี้เพราะว่าเป็นความประสงค์ของพระองค์และความปรีชาของพระองค์ไม่มีใครรู้ ในความรุ่นตรงนี้และไม่มีผู้ใดที่จะบังอาจไปวิจารณ์พระองค์ได้หรือตําหนิพระองค์ได้อันนี้ถ้าเกิดคนคนนึงอ่านมาถึงตรงนี้อ้าวทาไมอัลลอฮ์ต้องให้มันด้วยล่ะไม่จับมันล ง, รง น, นรัพรกเราจะได้นี่กําลังไปละเมิดอํานาจของรอเ ล, ล้วอ่านี่ทําตัวนี่จะเริ่มไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วเดาน่าหน้าที่ตรงนี้ก็คืออัลลอฮ์บอกให้ระวังมันก็ทําหน้าที่นะครับทําหน้าที่ในการ ดูเลนะให้เราอยู่ในผลปกป้องนะครับขอความคุ้มครองเจาล่อให้พ้นจากมารร้ายชชยตอนอิบลิสนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยที่ถูกชั้นต่ำตรงนี้ก็หมายถึงว่ามันดืดดึงกอลล์ะอนะบอกไปแล้วเนาะอ่ะต่อมาครับอายที่สิบหกแล้วก็สิบสิบเจ็ดนะ เราลงมาได้รับคาผ่อนผันยังได้แล้วนะอ่าได้รับแล้วและอระยะเวลาที่มัน ผ, ลผลน่อนผันนี่แล้วมันจะทำอะไรละ่ะนีนะะ่แล้วมันก็จะบอกกอลล์เล่าเป็นเรื่องเลยนะเนี่ยนะอ่าต่อนะกอลาฟาบีมาอักวัยตานีและอักรูดันนาและฮุสิรอต์เลมุสต์กิม ทุ่มละอาทย์นั่นหุ่มมิมไบณีอ้ดีหิมว่ามิลขัลฟหิม ว่ามิกลِิห์ م وعنإيمانهم وأن شمئيلهم ولا تجد أك ซารหุมชาคีรินอาและมันก็กล่าวว่ากอละตรงนี้หมายถึงใครหมายถึงอิบลิสมันก็กล่าวว่าด้วยเหตุที่พระองค์เนี่ยได้ทรงให้ฉันตกอยู่ในความผิดอานี่มันก็เริ่มโทษอัลลอฮ์เหมือนกันนะ่น ว่าวเป็นพ่อว่าตอว่าเหรอแต่มันก็รู้นามันทำผิดนะแล้วว่าไงแน่นอนอ่าคราวนี้ตัวเองตกอยู่ในความผิดแลวทาไงก็เลยต้องหาพวกแล้วแน่นอนอันนี้เป็นเป็นการเน้นย้ำเลยนะแน่นอนตรงนี้นะละอาเกาะละอาเกาะอุดันนะคาว่ากาอันนี้ด้ไปวันนั่งนั่งแบบ ไม่ไปไหนเลยนะีนั่งขวางเลยมันจะนั่งขวางพวกเขาก็คือบรรดาลูกหลานของอาดัมเนี่ยให้พ้นจากขนทางที่เที่ยงตรงและฉันใจมายังพวกเขาหมายถึงอิบลีสและก็ลูกสมุนของมันจะมายังพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าของพวกเขาเบื้องหลังนะเบื้องหน้าเบื้องหลัง และก็ทางเบื้องขวาด้านขวาและก็ด้านซ้ายกี่ที่เนี่ยอันนี้สี่นะหน้าหลังแล้วก็ซายขวานะและพระองค์จะไม่พบว่าส่วนมากในผูพวกเขาเป็นผู้ที่ขอบคุณไอการที่มันบอกแบบนี้เนี่ยมันเป็นการคาดคะเนนะมันไม่ได้รู้ล่วงหน้านะว่ามนุษย์จะตกนรกเยอะกว่าไม่ใช่มันแค่คาดคะเนและมันก็มองถึงผลงานของมันว่าน่าจะทาได้ น่าจะพาลูกหลานของอาดัมไปลงนรกกับมันเยอะนะขนี้ตรงนี้เองเนี่ยมันมีตับซีดด้วยนะครับมันมีฮะดิษบทหนึ่งนะบอกเอาไว้ว่าอินนัสเชยตอนกออดออิบอาดัมบิตุรุกิแท้จริงชชยตอนนั้นมันจะนั่งขวางลูกหลานอาดัมทุกวิถีทางเลย มันจะขวางวิถีอันแรกเลยที่มันจะขวางก็คือการที่รับอิสลามฟาอัก็ด้ล้ฮูบิตอรีกินอิสลามคือการรับอิสลามนี่คือการมันคือการล้างบาปทั้งหมดะนะคนที่ตกคนที่อะไรคนที่ไม่ได้เกิดมาบนหลักการศาสนาและวันหนึ่งกําลังศึกษาอิสลามเนี่ยชัยตอนจะขวางไม่ให้รับอิสลาม โดยเฉพาะซอบา้านนาบีใช่ไหมซอบา้นานนบีเนี่ยไม่ไม่ใช่มุสลิมแต่เกิดหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิกมก่อนเป็นเยฮูดเป็นอะไรงนี้นะยกเว้นว่าลูกซอบา้านเนี่ยที่รอดยียนร้องอันฮุมาเนี่ะนั่นแหล ะ, หละถึงมีพ่อเป็นมุสลิมส่วนใหญ่จะรอดยียนร้องอันฮุพ่อแม่ไม่ได้เป็นมุสลิมพอจะรับอิสลามมันขวางเลยในนบีในฮะดี์บอกว่าอัตุสลิมูจะรับอิสลามทําไมล่ะถ้ารับอิสลามเนี่ยเท่ากับท่านกําลังทอดทิ้งศาสนาของปู่ย่าตายาย ทำหนบทำเนียมผิดธรรมกันมาประเพณีทำกันมาถ้าสมมติเปลี่ยนศาสนาเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่าไงเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่ตายไปนี่ทำบุญให้ไม่ได้แล้วนะก็จริงไม่หลามก็จริงนีโอ้ยคนบางค น, คนรักพอ่อรักแม่มากก็ไม่ยอมเข้าบางคนถึงขั้นขอโทษนะบางทียอมไปทำศา ส, สนากิจก่อนถึงจะค่อยเข้าอะไรย่งงี้ยไม่รู้ อ, อแสดงว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจริงๆถ้ารู้แล้วเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วต้องรับเลย ปรากฏว่าคนคนนี้บอกว่าแมวอะฉันไม่เชื่อมันฉันจะรับอิสลามเป็นตายไร้เดียร์แต่ฉันขอรับอิสลามใครจะประนามย้ำเหยีดยดญาติพี่น้องจะดังเกลียดขนาดไหนใครจะมาต่อต้านว่าฉันยังไงฉันไม่สนใจฉันขอมีอัลลอฮ์รับอิสลามเสร็จปั๊บพอรับอิสลามเสร็จมันก็มาขวางหนทางในการอพยพอพยพตรงนี้ หมายถึงการฮิตจรอจากที่ที่ไม่ดีไปสู่ที่ที่ดีหรืออพยพจากความสิ่งแวดล้อมที่มันเลวร้ายไปอยู่สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ามันก็บอกว่าอากาศกระเปลี่ยนพื้นดินกระเปลี่ยนจะ ไ, ไปจะทํามาหากินยังไงต้องทิ้งทรัพย์สินเอาไว้ขวางอีแล้วหลังจากนั้นเขาบอกเขาไม่เชื่อฉันขอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ขออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีพอมีหุกกมของการยีฮาดมันก็มาขวางหนึ่งยีฮาร์ดอีก จะต่อสู้ในหนทางของรถทำไมถ้าเกิดตายไปทรัพย์สินต่างๆอุ้ยแล้วใครจะดูแลต่อเมียมีภรรยามีสวยๆด้วยเดี๋ยวก็มีคนมาแต่งงานด้วยอีกเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้อยู่ในนี้เลยนะในสำนวนบอกเลยปรากฏว่าเขาก็ไม่เชื่อแล้วก็ออกไปเยี่ยฮาดตในฮะดิษบอกว่าคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะตายในในในสภาพไหนหมายถึงว่าตายด้วยกับออกไปเยฮา์และตายหรือกลับมาแล้วมาตายบนเตียงหรือมาจมน้าตาย <c oughs> หรือตายบนผานะอัลลอฮ์จะให้เขาได้เข้าสวรรค์เพราะเขานั้นไม่ได้ปฏิบัติตามเชตตอนที่มันมาล่อลวงนะอันนี้ก็คือฮะดิษที่พูดถึงจะได้เข้าสวรรค์กับการที่เราไม่เชื่อฟังเชตตอนแล้วก็ปฏิบัติตามอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาละต่อมาในอยายะที่บอกว่ามันจะมาทุกทิศทุกทางเลยคําว่าวามินคอนฟีหิมเนี่ย มีการตับซีดไว้นะมินคอนฟรีหิมแปลว่ามันจะมาในด้านน่ะตรงไหนเนี่ยมันจะมาจากเบื้องหน้าน่ะแล้วก็เบื้องหลังนะครับคำว่ามินคอนฟรีหิมก็คือทำให้เกิดทาให้เกิดความชอบน่ะความชอบอะไรความชอบ ในเรื่องดุนยาอ่าอันแรกเลยที่ใช้ตอมมันจะเล่นก็คือเล่นงานให้เราหลงกับดุนยาไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ปล่อยวางเรื่องดุนยาให้ติดอยู่กับเรื่องดุนยาเอาเรื่องปัจจัยยังชีพในการแสวงหาตังโดยได้ไม่สนเลยว่ามันจะฮาลานฮารอมละมานบ้างไหมละมานบ้างฉันขอขายของก่อนไอ้นี่แหละมันจะเล่นเรื่องนี้ก่อนเลยอันที่สองว่าไอมานี้หิมด้านขวาก็คือให้เกิดความสับสนในเรื่องศาสนา บางคนเนี่ยพอเราไปสอนปั๊บโอ้โหตัวครูแปะไม่เหมือนกันเลยฉันไม่ทำมันละทิ้งเลยไม่ฟังแล้วบางคนไม่ก็ไม่กล้าฟังศาสนาเพราะว่าเพราะว่าเห็นสอนไม่เหมือนกันฉันเลยไม่ฟังเลยแต่ไปฟังเพลงนะไปฟังเพลงฟังตลกฟังซีดีแต่ไม่ฟังศาสนาถาเหตุทำไมไม่ฟังศาสนาเนี่ยแปะไม่เหมือนกันฉันเลยไม่ฟังเลยอ่าเขาว่าไปขนาดไม่ว่ากันไปมีคนที่ไม่ฟังศาสนาเพราะบอกว่าศาสนาเนี่ยฟังไม่เห็นจะได้เรื่องอะไรเลยฟังแล้วงงสับสน ก็แกไปฟังมัวง่วไงก็ฟังที่สอนถูกสิต่อมาอันสุดท้ายว่าอันชามาอีลีหิมท่ามาทางด้านขวามันจะมายั่วยุให้ทาความชั่วสามเรื่องนะมาทางด้านหน้ามาทางด้านหลังคือมาให้ดวงสงเดอนดุนยาเอาเรื่องดุนยาเป็นหลักเลยหลงแตเรื่องดุนยาอันที่สองมาทางด้านซ า, ามาทางด้านขวามาด้านขวาให้เกิดความสับสนเรื่องศาสนา นะอันที่สามมาทางด้านซ้ายอารมณ์ที่จะใยไปทําความชั่วนี่คือจุดจุดมุ่งหมายทั้งหมดก็คือให้ห่างจากความดีทั้งหมดเลยแต่นี่คือท่านอลีบินอบีตอเลฟได้อธิบายเอาไว้อ阿里บินอบีตนทาไม่ใช่อบีบินตนท้าเล่ามาจากนุวบาสอธิบายความว่าที่มันมาแต่ทิศทิศต่างๆเนี่ยมาจุดประสงค์ต่างกันนะเห็นไหมต่อมาทําไมไม่มีด้านบน เออไม่มีทางบนเพราะด้านบนเนี่ยคืออัลลอฮ์จะโปรยร้อมมาลงมามันขวางไม่ได้เพราะว่าจะไปบอกว่าไอ้ดิสกีที่ได้เนี่ยทุกคนก็ทําเป็นมุสลิมก็ต้องเชื่อออกมาจากอัลลอฮ์ยอมรับโบเละในความที่อัลลอฮ์ให้ดิสกีให้ปัจจัยยังชีพนั้นไอ้ด้านบนเนี่ยมันไม่ได้ขวางเพราะว่ามันรุ่ยแล้วมันจะมาขวางไอ้เรื่องรอบๆบนี้นะต่อมาอีกฮะดิษหนึ่งพูดถึงดออในยามเช้า บทนี้เนี่ยเป็นบทที่นบีขอหลังจากที่มีอายะกรานี้ลงมาเพราะฉัต้ตอนมาทุกที่ทุกทางเลยนะก็เลยขอดูอาอัลลอฮุมะอินนีอัสอัลุกาฟิยะฟิดดุนยาวาลอาคิรอแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ครอบคุมหมดแล้วฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์อัลลอ์ให้มีความมีความสบายความสุขสบายทั้งโลกนี้และโลกหน้าอาฟิยะแปลว่าความปลอดภัยแหละ ปลอดภัยเราก็จะสบายรู้สึกสบายใจอมีความสุขอาฟิยะรู้สึกปลอดภัยจากการถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ขอให้ได้รับความปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกนั่อัลลอฮุมาอินนีอัสอัลูกะอาฟัววันอาฟิยะโอ้อัลลอฮ์ฉันขอพระองค์ให้ได้รับการอาภัยโทษและความสุขสบายในเรื่องศาสนาของฉันในโลกนี้และก็เรื่องอะไรอีก ว่าฟีดีนีว่าดุนยายาว่าอัฮลีวะมาลีขอ Allah อัลลอฮ์ไพยโทษและก็ความปลอดภัยในชีวิตของฉันในศาสนาของฉันในเรื่องดุนยาในเรื่องครอบครัวและก็ทรัพย์สินอัลลอฮุมมัสตุลอารตีว่าอัมินเราอาตีนะโอ้อัลลอ์ฉันขอขอต่อพระองค์ให้พระองค์นั้นทรงปกปิดอวัยวะพึงสงวนของฉันอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีต่างๆที่เราไม่อยากให้ใครรู้ขอให้อัลลอ์ปิดให้ ไอ้ของไม่ดีต่างๆเนี่ยอย่าให้มันออกมารวมถึงมารลยาทีเลวสามด้วยให้มันปิดทุ้อย่างปิดเอาไว้เก็บเอาไว้ใส่กอนไว้เลยเอาโซ่ลามไว้เลยอย่าให้มันออกมาเพ่นพันนะไอ้ของไม่ดีเนี่ยปิดประตูไปเลยเอารอตีเอาลอฮุมมะฟัดนีมินไบเนียไดยะวะมิลคลฟีวะอันยามีนีวะอันชามชามาลีวะอัลฟาอุีวะอูดูบีบีบีอาดมาติก อุกต่และมินตาตีนี่ขอหมดเลยขอล้อคุ้มครองฉันนะปกป้องฉันทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านขวาด้านซ้ายด้านบนด้านล่างชิมาลีนะชิมาลีนะล้กก็คุ้มครองด้วยกับความยิ่งใหญ่บีอัจอมาติกอัลอมาติกด้วยกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้พ้นจากการทำร้ายจากเบื้องล่างเบื้องล่างก็หมายถึงทรณีสูบนะ ถูกทรณีสูบถูกดินเดี๋ยวนี้ตกท่อด้วยตอนนี้ไม่สูบเราเดินตกท่อแหมกระดองกระดินลงไปอ่ามีข่าวนะตกท่อเนี่ยตายหลายคนแล้วมันปิดเอาไว้มันเอาไม้ผูกๆมาปิดเอาไว้ตกลงไปเลยไม่ใช่ไม่มองนะก็เนี่ยขอด้อนอนบทนี้เอาเราจะคุ้มครองหมดเลยทุกที่ทุกทางอันนี้รวมถึงไม่ใช่ใชัยตอนอย่างเดียวนะรวมถึงภัยบาลลทั้งหมดบัลล่ากับภัยบาลลที่มาจากข้างบนมีไหม ก็อะไรหลนใส่ะงเดินเดินไปปกลงมาหลอเนี่ยขอหมดเลยทุกทิศทุกทางเลยแต่เชยตอนเนี่ยมันมาแค่ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขว า, าแต่ถ้าภัยพิบัติจะมาคบหมดเลยทุกทิศทุกทางน ะ, อ, ะอ่านต่อนะสิบแปดอีอายะนแล้วกันนะขอสิบปดอีอาย่นึงจบละกอแล้ว รู้จักมิหน่ามดูมัดผูระ ละมัติบียَก์ ن ินหَมَะอัมَ ن อ ن นนาจันนา م ิ أ َ ج ม م َ ع า ي ن َ อัลลอฮ์ได้ตัดว่าเจ้าจงออกไปจากสวนนั้นในฐานะผู้ที่ถูกติเตียนและผู้ที่ถูกขับไล่อารีบอกว่าไปในสภาพที่อารีบินาบิต้อนฮานะบอกว่าเป็นสภาพที่ต่ําต้อยสุดดีบอกว่าขับไล่ออกไปด้วยความกโกรธกตาดา้าบอกว่าถูกสาบแช่งด้วยความกโกรธมุจฮิด บ, บอกถูกเนระเทศถูกขับไล่ความหมายไม่ดีทั้งหมดแหละจงออกไปในฐานะที่ถูกติเตียนและถูกขับไล่ ละมันขอสาบานเลยว่าผู้ใดขอสาบานเลยว่าผู้ใดในหมู่พวกเขาที่ได้ปฏิบัติตามพวกเจ้าอัลลอฮ์ทรงสาบานอัลลอฮ์ทรงสาบานว่าผู้ใดที่พระที่พวกที่พวกเขาก็หมายถึงดุลยานแอบหมายถึงมนุษย์เนี่ยถ้าทําตามชัยตอนแล้วก็ละอั้มละอันน่ะอัลลอฮ์จะเอาไปบรรจุเอาไว้ <c oughs> เอาเราจะเอาไปบรรจุเอาไว้ให้เต็มยาหันนำเลยในหมู่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยและก็รวมถึงเจ้าด้วยเอาทั้งอิบลีส <c oughs> ทั้งพวกที่ปฏิบัติตามชัยตอนทั้งหมดเอาไปใส่เอาไว้ไปบรรจุเอาไว้ในยาหันนำจนกระทั่งเต็มยาหันนำเลยนะตรงนี้ก็เป็นการบอกว่าคนที่ตามชัยตอนไม่มีทางเลยนะพี่น้องที่จะจะได้ จะได้เข้าสวรรค์เพราะาอะไรละ่พระพ่อนีบอกไว้แล้วว่าถ้าไปอยู่กับเชยตอนก็ไปอยู่กับมันในในนรกนะครับแล้วก็อยู่แบบเต็มเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้บอกด้วยว่าจะเป็นใครหน้าไหนถ้าคุณตามเชยตอนคุณตามอารมณ์ของเชยตอนคุณไปอยู่ในนรกทั้งหมดนะซึ่งเราะเตรียมสถานที่ไว้แล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าค่อยอ่านอายะที่สิบเก้าต่อนะยังมีเรื่องราวของ นา บ, บีอาดัมอยู่นะตอนนี้ยังไม่เข้าถึงนา บ, บีอาดัมที่ที่ถูกกินที่กินผลไม้นะครับยังไม่เขียวนะอันนี้เรื่องของอิบราฮิม ล, ล้วนเลย سبحانك ั ل ل ه م وبحمدك اشدو الله ا ล ل ه ا ล ل ه انتاستفيروك า ا ت و ب و ม ل ه ا ل า ل ا م عليكم ورحمة الله و ب า ك ا ت ه